พวกพระนวกะตุกรูปก่อนที่จะไปเราได้ใช้อะไรของใช้ของเราที่เอาไปใช้พอที่จะซักก่อนเตรียมตัวซักซักไว้ซั ก, ซกเพื่อไม่ให้เป็นภาร ะ, ระของผู้อื่นอันนี้ก็คือวัดวาศาสนามนไม่ไม่ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของกลางเป็นของเราทุกคนเพราะนั้นเมื่อเรา ไปอยู่ในสถานที่ใดใช้ของใช้แล้วก็เก็บเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท4ี่ที่จะร่วมกันช่วยกันรักษาไม่ใช่เราใช้ไปแล้วก็ให้คนอื่นเป็นภาระมันไม่เหมือนอโรงแรมมันไม่เหมือนโรงแรมเป็นวัดมันเป็นหน้าที่ของเราทุกองที่ต้องช่วยกันดูแลรักษา ใครจะไปที่ไหนอย่างพระไปพักวัดไหนเมื่อจะไปท่านให้มอบเสนาสนะนะอบอกอย่างหลวงตาเหมือนกันท่านไปพักอยู่ที่สาราน้อยอท่านรักษาวินัยของท่านนะ เ, เราเห็นหลวงตาหน้าเอารบบูชาท่านรักษาวินัยคือก่อนที่จะไปออกจากวัดท่านต้องมอบเสนาสนะคืน เมื่อไปถึงวัดเราก็ได้รับเสนาสนะที่พักอาศัยเมื่อไปก็ต้องบอกบอกมอบบัตเออไปดูเสนาสนะนะสิ่งไหนไม่ดีก็จัดให้เรียบร้อยให้หน่อยนะคล้ายๆว่ามอบเสนาสนะให้แก่สงฆ์สงที่อยู่ที่นั่นถ้าว่าไปโดยที่ไม่มอบคือเสนาสนะให้แก่สงูงปรับอบัตรปลาจิตตีเลยที่ว่าไปไม่มอบเสนาสนะ เออลงตาท่านท่านดูดูแล้วท่านขนาดท่านเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่ขนาดทัานก็ต้องเป็นพระเล็กพระน้อยก็มีหน้าที่อยู่แล้วจะต้องดูแลเสนาสนะของท่านเมื่อท่านออกไปแต่นี้ท่านยังมอบเสนาสนะให้แก่สงฆ์อีกมอบให้แก่พระน้อยพระในวัดนั่นอีกเออไปเก็บเสนาสนะทีพระของเราหนะ้าให้เรียบร้อย พอนำเป็นของสงฆ์อันนี้เสนาธนะสงฆไม่ใช่ของหลวงตาไม่ใช่ของใครทั้งหมดเป็นของสงฆ์ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดวันนั้นเมื่อเรามาใช้ของสงฆ์อย่างหลวงตาไปใช้ของสงฆ์ทางก็มอบให้เก็บเสนาธนะของสงฆ์ให้เรียบร้อยให้อยู่ในระเบียบเก็บไว้ในส่วนส่วนที่เก็บคือสมัยก่อนเมื่อพระสงฆ์ เอาเตียงต่างเก้าอี้ไปใช้แล้วไปจากไปไม่ได้เก็บต่างโต๊ะต่างเก้าอี้ถูกแดดถูกฝนถูกปว ก, กัดพระสงฆ์ทางหลายญาติโยมทางหลายเขาตำหนิว่าพระสงฆ์เอาออกของเอามาใช้แล้วไม่รู้จะเก็บพระพุทธเจ้าบัญญัติพี่นายเมื่อพระสงฆ์เอาของเอามาใช้แล้วต้องเก็บ ถ้าไม่เก็บปั บ, ปบอวบอ่อนสองสงมาใช้ไม่เก็บเนสนาสนะสง์นี่อันนี้คือพระวินัยของพระคือศีลของพระทั้งหมดนั่นศีลคือการรอบคอบการเป็นอยู่ของพระเนมของพระที่บัญญัติวินัยบางคนก็บางสิ่งบางอย่างก็ทําให้ถูกต้องก็บัญญัติ แต่บางสิ่งบางอย่างก็โลกโลกาวัชชะเขาติเตียนแล้วก็บัญญัติวินัยเป็นศีลเป็นข้อข้อนะอันนี้คือวินัยสงนะพระสงฆ์ตอนนี้ไปผมจะให้หมู่พเพื่อนๆฟังธรรมเทศนาโอ้ลุงตาต่อไปนะ